ใครจะส่งกันบ้านเชิญเอางี้ก่อนให้คนอยู่วัดก่นอนจะว่นว่าไงก็วันนี้ดีขึ้นไหมคะ่ะสบายสบายกว่าเมื่อวานค่ะก็คือเมื่อวานเนี่ยทุกครอบงำแล้วไม่เห็นว่าทุกวันนี้จุดลองดูลมหายใจเวลาหายใจรู้สึกอึดอดัดดูแค่ตรงนี้แล้วก็เห็นว่า ในการหายใจแต่ละครั้งมันจะมีการจงใจทั้งจงใจปั้นหายใจและจงใจเข้าไปรู้ก็ดูอยู่ยตรงนี้เร่อยค<ส>่ยาก็ดูมันไปเรื่อยๆแล้วพอใจไหลไปคิดก็รู้ขึ้นมาได้เองก็ก็เลยรู้สึกว่ามันมันใจมันเลยจะไม่รู้ว่ามันเป็นฉันทะที่จะรู้ลงที่ลมหายใจหรือว่าเริ่มหมกมุ่นมาดูที่ลมหายใจแล้ว <c oughs> ดูที่ใจอะค่ะ รูทันที่ใจเราค่ะหมกมุ่นหรือเปล่าหรือมีฉันทะหรือเปล่าดูเอาก็ได้มันมีช่วงหนึ่งมันฉันทะอีกช่วงหนึ่งมันเริ่มหมกมุ่นนะคะคือพอทําไปแล้วมันรู้สึกดีนะนก็อยากทําอยากทําว่าพยายามเพ่งพยายามจ้องไปไปดูเอาเองไม่ตอบแล้วเรื่องง่ายแค่นี้ในฐานะเป็นผู้ช่วยสอนไม่ต้องผีผงเข้าตานะ เรื่องง่ายๆแล้วบางทีเวลาถ้าใครมาถามเราตอบได้หมดเลยเวลาเราเจอเองนะไอานิดเดียวนั่นแหละติดอยู่งั้นแหะใจสบายขึ้นออนิดหน่อยค่ะออรู้สึกไหมมันโปร่งกว่าเมื่อวานนะรู้สึกค่ะเห็นไหมเมื่อวานเราสร้างมันขึ้นมาเยอะให้รู้ทันน ะ, <ฮ>ะมันทุกข์ทั้งนั้นเลยมันทุกข์เราแต่ละคนจะไปสร้างหมูกระดาษขึ้นมนาะคิดดูนะคนเราถ้า มีอะไรครอบไปทั้งวันนะไม่มีความสุขจริงหรอกอดอัดนะพอรู้ทันนะใจเป็นอิสระขึ้นอิสระขึ้นดีอดทนเนาะทนทนแล้วมีอะไรแนะนำอีกไหมคะไปดูตัวที่โลวงพ่สอนนี้แหละนะแล้วชีวิตหนูจะมีความสุขมากขึ้นวันนี้รู้สึกว่าจิตตั้งมั่นขึ้นแล้วก็อยาก โอาสขอบพระคุณหลวงพ่อที่ให้โอกาสได้มาภาวนาต่อเนื่องแล้วรู้สึกว่าพอเราให้จอกาสอะไรจับฉลากได้เองพอเราได้ภาวนาต่อเนื่องพอเราเลิกภาวนาเรามาทํากิจวัตรเนี่ยเราก็จะรู้สึกหลงรู้หลงรู้ได้ได้ถี่ขึ้นนะคะนนั่แหลดีแล้วแล้วก็อยากจะขอให้หลวงพ่อช่วยทุบให้กันบ้างไม่ต้องทุบนะวันนี้ไม่ต้องทุบเราไปทําอาทำ เหมือนที่ทำอยู่นี้ใช่ไหมคะทำบ้านให้เป็นวัดให้ได้น่ะดีที่สุดเลยเจ้าค่ะรักษาข้อวัดเหมือนตอนที่อยู่วัดเนี่ยค่ะเจ้าค่ะขอพระคุณอย่างสูงค่ะอ้าวพี่แหมมคนอยู่วัดแต่ว่าแข้งขาไม่แข็งแรงเมื่อก่อนเป็นนักวอลเล่บอลนะแข้งขาแข็งแรงไม่ได้เล่นกี่สิบปีละสี่สิบปีะพี่แหมมวอลเล่บอลบาสเกตอาบาสเกตอนัน กลับนะมหการมท่า <in> <ikle S 2> นอาจารย์เจ้าค่ะก็ที่ท่านอาจารย์บอกว่าให้หัดดูที่ความรู้สึกกันนะเจ้าค่ะเราก็เห็นไอ้ความเปลี่ยนแปลงข้างนอก เ, อเห็นความเปลี่ยนแปลงข้างนอกเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกของเราด้วยเจ้าค่ะแล้วก็ก่อนหน้าที่จะมาที่นี่ก็มันรู้สึกคืออธิบายไม่ได้แต่รู้ว่ามันเปลี่ยนไปนะเจ้าค่ะที่นี่รู้สึกโปรง่งโล่งสบายขึ้นแล้วก็ ทั่วๆไปอย่างที่เนี่ยผัสสะมันจะน้อยใช่ไหมเจ้าคะก็จะเป็นเห็นตัวที่มากเนี่ยคือตัวโมหะตั ว, ตวอะไร<ต>นะโมหะเจ้าค่ะอ่าใช่เจ้าค่ะแล้วก็พี่แหม่มลงเห็นตัวสภาว ะ, ะสภาวะอย่างราคะโทสะโมหะอะไรเนี้ยอันนี้เรียกว่าสภาวะธรรม <ขา S 2> ถ้าเราเห็นถึงตัวสภาวะธรรมได้เนี่ยเราทําพิปปัสนาได้จริงละพี่แหม่มรู้สึกไหมราคะโทสะโมหะ นะมีเหตุมันก็เกิดไปนะหมดเหตุมันก็ดับไปนะเราสั่งไม่ได้เราบังคับไม่ไดนะ้เราดูลงไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะล้วนแต่ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้นะนะี่เท่ารู้ลงไปตัวนี้คือคําว่าอนัตตานะรู้จนถะึงวันหนึ่งใจมันยอมรับความจริงนะทุกสิ่งทุกอย่างกระทั่งจิตใจของเราเองนะก็สั่งไม่ได้นะใจมันจะค่อยคลายความถือมั่นลงก็รนะู้สึกว่า เป็นเหมือนกันนะเจ้าค่ะใช่จะเป็นนะเจ้าค่ะแล้วก็อย่างบางตัวเนี่ยไอ้ขีดอย่างตัวโทสะเนี่ยบางตัวเนี่ยไอ้บางตัวเนี่ยรู้สึกมันลดลงเพราะเรามีสติเป็นรู้ใช่ไ้มเจ้าค่ะใช่แต่บางตัวเนี่ยมันก็มันก็ยังเยอะอยู่แต่ถ้าเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยไอ้ดีกรีมันก็ลดลงจะรักแรงแงก็ไม่มีแล้วจะเกรดแรงแงก็ไม่ไม่ค่อยมีแล้วอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะเห็นไอ้ดีกรีของมันที่นั่นด้วย ดูนะกระทั่งโกรธคนเดียวกันนี้แหละนะตอนเริ่มโกรธนะไม่แรงคิดไปคิดไปก็แรงขึ้นแรงขึ้นนะพอเรารู้ทันมันก็ค่อยๆลดลงลดลงนะกระทั่งโกรธครั้งเดียวเนี้ยก็แสดงไตรลักษณ์ได้นะนการที่พี่แหม่มคอยเห็นสภาวธรรมเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปเนืองๆ น, นั่นแหละคือการเดินปัญญานะลำพังทําสมาธิเฉยอยู่กี่ปีก็ได้เท่านั้นแหละแต่มาทําอยู่22ป่ปีสมาธิ เสียเวลานานนะอาจารย์เจ้าคะยอมอายให้อาจารย์ท่านอาจารย์แคะว่ามีอะไรที่มันอย่าประคองไว้อย่ารอยรักดีรักดีรู้สึกไหมรู้เจ้าค่ะน่ารู้ทันนะรักดีหามจั่วหนักนะแต่ดีกว่าหามเสาเอ้า4สี่สบห้า อาเบอร์สี่ส้าชิกราบนะ้มัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคราวที่แล้วหลวงพ่อเมตตานะคะให้ดูว่าเราไปเกาะโยมไปเกาะตัวผู้รู้แรงเกินไปอะคะ่ะทีนี้โยมก็เลยไม่ไปโฟกัสตรงนั้นแล้วมันก็เลยรู้สึกเบาเบาสบายสบายขึ้นนะเจ้าค่ะดูมันทํางานไปนะคือถ้าเราไปเอาจิตไปแช่ไว้ที่ใดที่หนึ่งกระทั่งการแช่ตัวผู้รู้ก็เป็นสมถะเนทะ่านั้น ไม่เดินปัญญาสังเกตไมมพอเบาๆเข้ามาท่ามันทํางานทั้งวันเจ้าค่ะรู้อย่างว่ารายกว่าที่คิดมากๆเลยเจ้าค่ะเออนั่นแหละพาวนาเป็นนะถ้าพนานาให้เป็นรู้สึกกูดีกูดีเมื่อก่อนกูเก่งอะไรอย่างไงคะ <c oughs> มันจะเป็นความรู้สึกนั้นหลวงพ่อคะคัดเวลาเราคิดพอตอนคิดเราเราจะไม่รู้แต่พอรู้ปุ๊บเนี่ยโย ม, มจะไปเห็นช็อตที่มันคิดเมื่อสักครู่นี้เจ้าค่ะถูกต้อง เป็นเป็นภาพอย่างเงี้ยค่ะถูกแล้วที่มันเกิดแล้วก็ดับไปนะคะถูกแล้วล่ะดูอย่างนั้นแหละขอหลวงพ่อเมตตาให้การบ้านค่ะก็ถึงเวลาก็ทําความสงบเข้ามาสมถะไม่จริงนะเจ้าค่ะเพียงแต่ว่าช่วงที่มันติดแรงก็หยุดชั่วคราวตอนนี้มันเริ่มคลายออกแล้วจิตใจเริ่มเดินปัญญาได้ล้เจ้าค่ะเริ่มเดินปัญญาได้ก็ไม่จริ้งสมถะเรากลัไปทําได้แตอย่าไปเพ่งให้นิ่งๆทื่อๆนะเจ้าค่ะ ถ้าที่สมถะไปเลยเนี่ยจิตจะฟุ้งซ่านสักพักหนึ่งดูจิตไม่ออกละหลงหไหมตอนนี้หลงเจ้าค่ะหลวงพ่อถามนะหลวงพ่อไม่ได้บอกห <c oughs> ลงอีกหรือยังหลงอีกหลงอีกแล้วเจ้าค่ะอ่าไปเบอร์ยี่สก่าบขอบพระคุณเจ้าค่ะวันนี้อากาศดีนะเดี๋ยวถ้าเลิกได้เร็วหลวงพ่อจะพาเที่ยววัดสนใจไหม นี่ไม่ต้องตื่นมวลชนอ่ะพาพวกเรานี่แหละเพราะวันนี้มันน้อยวันอื่นไม่ไหวอ่ะหลายร้อยนั่งอ้าวยีมีข้อสงสัยในเชิงปริยัตินิดีนึงอะค่ะคือว่าเวลาที่จิตมันดําเนินไปเรื่อยๆแล้วมันผ่านยานต่างๆไปเนี่ยค่ะสมมติว่าพอไปถึงนิพพาแล้วอะค่ะแล้วมันจะถึงอะไรนะนิพพานยานเนี่ยค่ะแล้วมันจะกลับมาที่เริ่มต้นใหม่ตรงตรงไหนคะตรงอันแรกเลยไหมคะ มันไม่เที่ยงยานทั้งหลายพวกนี้ยังเป็นโลกียาณาอย่าว่าแต่โลกียาญไม่เที่ยงเลยมรกายานก็ไม่เที่ยงผลญาณก็ไม่เที่ยงปัจเจเบกขนานยานก็ไม่เที่ยงทั้งหมดเกิดระดับทั้งหมดเลยแต่ว่าตรงที่มันขึ้นไปถึงโคตรภูยานมรกายานผลญาณเนี่ยคุณภาพจิตเปลี่ยนไปแล้วความเปลี่ยนของจิตนั้นไม่กลับกรอบไม่คืนมาอันนั้นเลยจัดเป็นฝ่ายโลกุตตะละ แต่ในฝ่ายการปฏิบัติเนี่ยนะตั้งแต่เริ่มต้นแยกแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามนะรู้ว่ารูปนามแต่ละอันมีเหตุให้เกิดไม่ใช่เกิดลอยๆนะรู้ว่ารูปนามเป็นไตรลักษณ์เพราะรูปนามเดียวนี้กับรูปนามตะกี้แตกต่างกันตรงนี้ยังไม่ขึ้นมีปั ส, สนาเป็นปัญญาเบสิกนะตรงที่ขึ้นมีปั ส, สนาเนี่ยเห็นรูปนามมันเกิดดับต่อหน้าต่อตานะรูปแต่ละรูปเกิดแล้วก็ดับ นามแต่ละนามเกิดแล้วก็ดับจิตก็เกิดแล้วก็ดับมีช่องว่างมาคั่นด้วยตรงนี้เดินไปเรื่อยนะพอเห็นมันเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยเห็นไปช่วงหนึ่งนะมันจะเกิดจิตเนี่ยไม่มีกําลังพอสมาธิไม่พอจิตจะฟุง้งตรงที่จิตฟุ้งเนี่ยฟุ้งได้10บแบบจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนูไปกิเลสขึ้นมานะนี้ถ้ารู้ทันว่าจิตฟุ้งสร้างจิตตั้งมั่นขึ้นมาก็จะหลุดจากวิปัสสนูมาเห็นเกิดดับต่อ พอเห็นเกิดดับไปเรื่อยนะต่อไปมันจะเริ่มเบื่อจะเริ่มรู้สึกถึงความไร้สาระทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับนะตรงเนี้เป็นช่วงหนึ่งช่วงสั้นๆแต่บางคนก็ยาวนะถ้ารู้ไม่ทันก็ติดนานนะแล้วถ้าผ่านไปได้นะก็จะเห็นเลยเราห้ามมันไม่ได้หรอกทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาหน้าเบื่อแค่ไหนนะก็ต้องอยู่กับมันหนีไม่ได้ใจยอมรับความจริงว่าหนีไม่ได้นะต่อไปใจก็เป็นกลางกับมันนะ แล้วจนกระทังเห็นเกิดดับไปด้วยนะสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวอะไรๆชั่วคราวหมดเลยเห็นซ้ําแล้วซ้ำอีกองเงี้ยถึงจุดหนึ่งนี้จิตจะเป็นกลางด้วยปัญญาเรียกสังขารุเบคาตรงนี้ยังเป็นวิปัสสนาญาณขั้นสุดท้ายละน่ะมันวิปัสสนาญาณจริงๆเริ่มตั้งแต่อุทยาพยัญานจนถึงสังขารุเบคาตรงนี้วิ่งขึ้นวิ่งลงได้ตลอดเสื่อมนะไม่ใช่วันนี้ได้นิพิทาแล้วพรุ่งนี้จะต้องนิพิทาหรือเลยขึ้นไปอีกไม่ใช่ ถือถ้าอย่างนั้นแปลว่าพ อ, อนิพพาแล้วเี่ยมก็กลับมาที่อุทยอทยพยายานอีกครั้งเพราะนาไม่เป็นเลยยังมีเลยอดึงออกมาข้างนอกเลยนะยานที่หนึ่งยังไม่มีเลยแยกรูปแยกนําไม่ออกแล้วก็มีนะมันยังเป็นของที่ไว้ใจไม่ได้เพราะงั้นประมาทไม่ได้การภาวนาต้องทําทุกวันประมาทเมื่อไรก็เสื่อมแล้วก็ส่งกันบ้า น, นเชิงปฏิบัติค่ะคือตอนนี้ก็ เข้าใจว่าดูอยู่ตลอดในระหว่างวันแล้วก็แล้วก็ในในงายการทำรูปแบบก็ก็ทำอยู่คือในภาพรวมค่ะคือคิดว่าเนื่องจากว่าเป็นคนมีแรงขึ้นมากไหมมีแรงขึ้นค่ะอืม จ, ออจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นไหมน่าจะน้อยลงค่ะ ทำไมคะอะไรนะคะถามว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอ๋อมากขึ้นค่ะอ๋อนะถ้าดูน้อยลงรือผมเพียนแล้วก็เช่าฟังอิดค่ะนะแล้วยังมีปัญหาอะไรไม่เห็นยัมีปัญหาอะไรเห็นไหมทุกอย่างเกิดแล้วดับค่ะเห็นไหมทุกอย่างบังคับไม่ได้ค่ะคือมันมักจะคิดอยู่ว่าทำยังไงให้ดีขึ้นไปอีกค่ะนั่นโลภะแทรกนลค่ะให้รู้ทันว่าโลภะแทรกนะ ถ้ารู้ทันแล้วมันก็ไม่ไม่เป็นไรอรหลุดออกมาไปนี่ก็ระดับอาจารย์แล้วูนะอ่ะแปดสบอ๋อูแล้ววันนี้พวกพ อ, พอน่าเก่งๆเยอะธรรมะเราเลยโลดโผนกระลับมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมาจากเชียงใหม่ค่ะมากราบเรียนพระอาจารย์ว่าลูกชายที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายตอนนี้ ห, หายแล้วเจ้าค่ะ หลังจากที่ให้เคโมโลแล้วก็ฉายแสงไปอีกสิาลูกชายาน่ารักน่ารักลูกชายดีเกินไปรู้สึกไหมตอนนี้เขาก็ดูดูใจตัวเองไว้ตลอดคะ่ะพระอาจารย์ก็เหมือนกับอยู่กับตัวเองมากขึ้นคะ่ะตอนนี้ตัวตัวโยวมเองก็หลังจากที่ลูกชายดีขึ้นก็ฝึกเรื่องการจากพลาก ก็คืออยู่ห่างลูกน้อย<ม>น้อยลงโดยการไปอยู่วัดมากขึ้นแล้วก็<ม>หันมาภาวนามากขึ้นก็มีความปรุงแต่งน้อยลงล ด, ลดีนะดีแนละ้วดีทั้งแม่ทั้งลูกเลย <c oughs> ก็คิดไปในอดีตในอน า, าคตน้อยลงะคะ่ะ<ม>แล้วก็มีเห็นความยึดมั่นถือมั่นในในตัวเองที่มีมากค่ะ<ม>แล้วก็ เดิมเป็นคนมีทิฐิมานะเยอะแต่หลังจากผ่านเรื่องลูกชายนี่ก็เห็นความไม่แน่นอนของสิ่งรอบตัวและบางใจให้เป็นกลางได้มากขึ้นค่ะดีนะมีฉันท่าในการดูใจมากขึ้นแต่ก็ยังทําน้อยอยู่เจ้าค่ะนะเออเยอะๆสิ <laughs> จะพยายามให้ทําให้มากๆนะเลยเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าอยตรนีในการทําความดี <laughs> นะทําเยอะๆ ก็เลยมากราบเรียนพระ อ, อาจารย์ดดย่ด้วยความเมตตาของพระอาจารย์นี่เป็นกำลังใจทั้งแม่ทั้งลูกมาจนถึงวันนี้กราบพระ อ, อาจารย์แต่ลูกลูกดีที่สุดเลยนะลูกน่ารักจริงๆล้าากตั้งใจจะไม่แต่งงานแลวก็ไม่มีครอบครัวค่ะก็ไปบอกเลิกผู้หญิงหมดทุกคนเลยค่ะทำให้คนร้องไห้เยอะเลยค่ะ คือเขาบอกบอกไปแล้วไม่เชื่อก็เขียนจดหมายเป็นรายลักษณ์อักษรสำทับไปอีกว่าตั้งใจอยู่ไม่ให้ทนายยื่นโนติสเลิกแล้วนะมายุ่งอย่าฟ้องและกำลังยื่นสมัครเป็นอาจารย์ที่คณะทันตแพทย์ค่ะรุนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเทอมนี้อยู่เจ้าค่ะดีลูกโอ้น่ารักมากดีอย่าทิ้งเรื่องศีลสมาธิปัญญาเอาให้ครบนะ ศีล ส, สมาธิก็ต้องเอาน ะ, ะเไม่งั้นไม่ขาดหรอกอมันจะปัญญาล้ำเฉยๆ <นะ S 1> ที่โยมทำมาช่วงนี้ที่รู้สึกตัวที่หันกลับมาดูใจนี่พอจะถูกต้องหรือยังเจาคถูก่กเลยถึงบอกว่าดีทั้งแม่ทั้งลูกเลยรอบนี้สาสบสองดีแล้วลหละบอกลูกอย่าไปมีครอบครัวเลยกล่าวน้ำกัานสการของพ่อค่ะ โยมได้มาส่งกันบ้านหลวงพ่อเมื่อปลายปีที่แล้วหลวงพ่อให้กันบ้านว่าให้ไปหัดแยกธาตุแยกขนันแล้วก็อย่าให้ปัญญาล้ำหน้าโยมก็ไปหัดลองดูแล้วก็สังเกตเห็นว่าขานันแต่ละขันเขาก็ทํางานของเขาเองแล้วก็<ด>ต่างฝ่ายต่างเขาก็ทํางานของเขาแล้วก็ดูว่าไม่มีเราในแต่ละขันนะ่ะใช่ใช่อย่างนี้ถูกใจแต่ว่าเหมือนกับว่ายังทุกครั้งที่ดูเนี่ยมันมันยังใช้ความคิดนําบ้างช่วยเขาบ้างได้ ถ้ารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วไม่เดินปัญญาเนี่ยต้องคิดนําถูกต้องแล้วค่ะนะคิดนําไปช่วงหนึ่งจิตมีรู้จักมองเองเมือมันมองได้เองไม่ต้องคิดค่ะแล้วก็ได้หัดดูกิเลสแล้วก็เห็นกิเลสมากมายก็เลยวันนึงก็รู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกว่าจิตเราปรุงกิเลสขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าจิตต้องการที่เราปรุงกิเลสเพราะว่ามันมันรักษาตัวตนไ ว, ว, ว, ว้อะใช่ มันทําทุกสิ่งทุกอย่างนะกระทั่งปรุงกุศล น, นะก็เพื่อรักษาตัวตนไว้ทําทุกอย่างเลยนะเพื่อจะย้ํากับตัวเองว่าฉันยังอยู่ฉันยังอยู่มันกลัวที่สุดเลยที่ว่าตัว ต, วตวนจะหายใช่ค่ะแล้วหนูก็รู้สึกตกใจว่าจริงๆแล้วตัวเองไม่มีแล้วคนที่เรารักก็ไม่มีเออแล้วมันก็เสียใจอ้าวเสียใจซะอีกแล้ว <laughs> มันยอกความจริงไม่ได้มันมันยังไม่ค่อยยอมรับคบ่ะเราต้องดูซ้ําอีกดูไปอีก แลดูจนวันหนึ่งมันยอมนะแล้วหนูหนูมีความรู้สึกว่าวันวระหว่างที่ทำภ า, าวนาอย่างนี้ยค่ะมันเกิดไปรู้สึกว่าจริงๆแล้วโลกเป็นอย่างนี้อย่างที่มันเป็นเพราะว่ามันไม่เที่ยงใช่แล้วก็มันก็ทนอยู่ไม่ได้เพราะมันเป็นทุกข์แต่ว่าพอหลังสักเห็นแล้วเนี่ยค่ะจิตเขาเหมือนเขาไม่ยอมย้อนกลับมาดูไตรลักษณ์อีกอะค่ะเป็นระยะหนึ่งก็เลยเหมือนกับภาวนามไม่เป็นอ่ะเออนะไม่ต้องกลัว ถ้ามันภาวนาไม่เป็นอย่าดิ้นรนก็รู้ไปว่าตอนนี้ภาวนาไม่ถูกน ะ, ะยอมรับมันการภาวนาเนี่ยบางช่วงเหมือนคนภาวนาไม่เป็นเป็นทุกคนแหละแล้วทุกขั้นด้วยนะทุกขั้นทุกตอนเลยไม่ใช่เฉพาะว่าปูถุชนจะเป็นโสดาบางวันภาวนาไม่เป็นไม่ใช่ทุกขั้นทุกตอนจะรู้สึกอย่างนั้นเลยแล้วหนวพ่อคะแล้วคือเวลาที่พอจับหลักอะไรไม่ได้คือเหมือนกับพอมันเราม่โม่อย่างเงี้ยค่ะหนูก็พยายามว่า อะไรไม่เป็นไรดูมันไปอย่างที่มันเป็นแล้วก็ถูกกลหลักว่ารู้ลงปัจจุบันรู้ลงปัจจุบันถูกต้องแค่นั้นแหละทีนี้หนูก็มีข้อสงสัยอยากจะขอการหลวงพ่อคือว่าที่หลวงพ่อเคยบอกว่าปัญญาล้าหน้าเนี่ยในความหมายของโยมหลวงพ่ออธิบายเพิ่มเติมได้ไหมคะอันแรกเลยจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตลงไปอยู่ในโลกของความคิดคิดพิจารณาไปเรื่อยนะไม่มีสมาธิรองรับแล้วก็ไม่มีสภาวะธรรมรองรับ เวลาคิดมันก็มีแต่ภาพในอากาศใช่ไหมไม่มีรูปธรรมนามาทำรองรับจิตก็ไม่มีสมาธิรองรับด้วยไม่มีรูปธรรมนามาทำรองรับด้วยก็ฟุ้งไปเฉยๆ น, นั้นล้าหน้าไปไม่ดแีแต่ที่หนูรู้สึกคือว่าเป็นพ่อหนูสรุปเร็วไปด้วยหรือเปล่าคะมันก็นใช่ใช่เราไปรีบสรุปเนี่ยจิตไม่ได้สรุปแต่เราสรุปแทนจิตนั่นแหละปัญญาล้าหน้าแล้วไอ้น่อง ก, ก็ไม่เที่ยงไอ้นี่ก็ไม่เที่ยงแต่ล้างกิเลสไม่ได้นะ แต่ทําอะไรไม่ได้ก็คือต้องต้องดูไปเรื่อยๆไม่ต้องทําอะไรมากกว่าดูมันรู้มันหลงปัจจุบันไปค่ะไม่ทราบหลวงพ่อมีข้อแนะนำข้อครณบ่อไมไปทำต่อสิไปทําต่อนะแล้วจิตต้องตั้งมั่นนะจิตต้องถึงฐานจิตตอนนี้ตั้งมั่นไหมไม่ตั้งมั่นเลยค่ะนะให้รู้ทันตัวนี้แหละวิธีฝึกจิตให้ตั้งมั่นก็พูดโธไปหายใจไปอะไรก็ได้แล้วจิตไหลไปแล้วรู้ทันรู้บ่อยๆมันก็ตั้งมั่นขึ้นมา อ้าเบอร์46่หี่สิบหมอพีว่าเน้นนมัส ก, การค่าวจะใสขึ้นเยอะเลยก็รู้สึกว่ามันคลายลงอ ะ, ค, ะออค่ะรู้สึกจิตมันเบาๆลงแต่ตอนนี้ก็ตื่นเต้นรู้สึกกดหน่อยๆประคองนิดๆเออถูกดูเป็นละข้ก็แต่เมื่อวานนี้ภาวนาไม่ค่อยดีเลยค่ะตอนบ่ายมันรู้สึกว่ามันไม่ยอมแยกออกมาดูอย่าอยากแยก แ, แยกเขาแยกเอง<า>อยากแยกก็โลภแล้วไม่ไม่แยกอ่ะแต่พอรู้สึกหนักๆปุ๊บก็จะเลิกนั่องอแล้วก็ไปทำอย่างอื่นแล้วก็มาลองให ม, <ไว S 2> ม่อะไรอย่างนีทีนี้อาจารย์ะเวลานั่งนี่ถ้าเกิดว่าเห็นว่ามันคิดอยู่อย่างนี้ค่ะแต่ว่ามันมันมันไม่ใช่ว่ามันรู้ว่าจิตคิดเพราะว่าจิตมันไม่มันไม่เบาค่ะ เ, เหมือนที่เคยรู้สึกแบบวันก่อน อันนี้มันเป็นเพราะอะไรคะไม่เป็นไรมันเป็นยังไงก็รู้ไปรู้ไปอย่างเดียวเลย่ะรู้ทุกสิ่งนะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏนะรู้แล้วก็รู้ทันจิตเช่นมันฟุ้งๆไปนะแต่ว่าอ้ใจก็รู้แล้วก็ยังแน่นอยู่ในนี้ยเกิดสงสัย่เอ๊ะทําไมเป็นอย่างนี้รู้ว่าสงสัยนี่เรียกว่าเรารู้ทันจิตนะเพราะฉะั้นไม่ว่าจะรู้อะไรนะก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่รู้แล้วรู้ทันจิตไปเรื่อย ค่ะทีนี้ว่าตอนเช้าเมื่อเช้านั่งเนี่ยจะนิ่งปกติตอนเช้าตื่นมานั่งเนี่ยมันจะนิ่งอืมันคือมันนอนพอแล้วอะค่ะทำไมจิตมันยังยังจะพักอีกล่ะฮะนิ่งนี่คือจิตมันพักหรือเปล่าคะช่างมันไปอะไรล่ะตอนนอนบางทีจิตไม่ได้พักนะร่างกายมันพักแต่จิตไม่ค่อยจะพักเท่าไหร่หรอกก็ปล่อยให้มันนิ่งไปล่ะให้มันนิ่งนะอย่าฝืนถ้าฝืนแล้วจะปวดหัว <C ase> ใค้านิ่งไปแต่พอเขาเริ่มเคลื่อนนะมีสติรู้กายรู้ใจไปเลยแยกธาตุแยกขันต์ต่อไปค่ะ <C ase> แล้วอาจารย์คะถ้าเกิดว่ามีปิตินี่จะมีสมาธิเสมอไปหรือเปล่าคะปิติเกิดจากการมีสมาธิมา ก, กเกินไปหรือเปล่า <C ase> ไม่จําเป็นหรอไม่จําเป็นหรอปิติเกิดได้เยอะแยะฟังธรรมะบางทีก็เกิดธรรมะปิติอะไรเงี้ยปิติเกิดได้เยอะแยะไป ก็แค่รู้นะปิติก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเมื่อรู้แล้วจิตมีปฏิกิริยาอะไรขึ้นมารู้ทันที่จิตใช้หลักเดิมนี่เองา <นะ S 1> อาจารย์มีอะไรแนะนำํำหรือไม่คะอย่าให้คิดมากนะของคุณจุดอ่อนมันคืออันแรกเลยสมาธิมันนำ้ำจนมันซึมมันนิ่งนะที่สองพอใช้ปัญญาเนี่ยความคิดมันนําไปอคขุณมันไม่สมดุลกัน เบอร์สิบแปดเอาคุณเมาจนจะเป็นดรอกเตอร์มาถามอะไรเราพระบ้านนอกดอกเตอร์ทางาศาสนานะเนี่ยมีคำถามเยอะค่ะหลวงพ่อก็แล้วอยากให้หลวงพ่อช่วยทุบด้วยเพราะว่าต่อไปก็คงต้องช่วยทางมหาจุลาสอ น, นะคะที่นี้เท่าที่สังเกตตัวเองตอนนี้ก็ภาวนามา3ปีกว่าแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเยอะมาก แล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยพัฒนามาถึงระดับหนึ่งตอนที่ไปอินเดียค่ะจริงๆทิปที่ไปเนี่ยมันน่าจะมีความรู้สึกว่ามีความสุขแล้วมีปิติแต่จะเห็นทุกพอเห็นทุกแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่เป็นกลางมากค่ะหลวงพ่อแล้วก็จะกดเข้ามาเลือ่อนกดๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ก็เลย น, น, นี่แน่นใจ ว, ว่าเป็นความเคยชินดั้งเดิมที่จะหนีนของเดิมชอบหนีค่ะ ทีนี้จะพวายนายังไงต่อคะเวลาที่เห็นทุกอย่างเห็นไหมเมื่อกี้เพิ่งบอกนะใช้หลักเดียวกันเลย <c oughs> รู้อะไรก็ได้นะแต่รู้แล้วรู้ทันจิต <c oughs> งั้นเห็นทุกแล้วใจไม่ชอบเข้ามารู้ว่าไม่ชอบนะใช้หลักนี้นะเราใช้ได้ตลอด <c oughs> แล้วทีนี้กรณีที่สองก็คือเรื่องของการเดินเรื่องสมาธิอะคะ่ะสิ่งที่หลวงพ่ออธิบายเรื่องอา ร, รมณปนูปนิชานกับตัวรักขณูปนิชาน ในท่านพระพมเขียนไว้ว่ามันคือยานสองนะคะแล้วก็อธิบายเหมือนกับที่หลวงพ่ออธิบาย mm hmm. แต่พอเวลาไปภาวนาเข้าจริงๆอะค่ะอย่างเมื่อคืนนี้ที่ไปภาวนาที่หนองเลงอะคะ mm ่ะ hmm. เวลาไปอยู่เนี่ยเนื่องจากว่าอาทิตย์นี้เนี่ยคนน้อยมากก็มองเห็นว่าจิตตัวเองเนี่ยมีสมาธิมาก mm hmm. แล้วในขณะที่นั่งอะค่ะเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ดับไฟหมดแล้วก็จะมีเทียนอยู่สองอันแต่เป็นเทียนไฟฟ้าะคะ mm ่ะ hmm. ในขณะที่นั่งเลียากั๊กกับ อ้นเขาก็จะนั่งอยู่ข้างหน้าไม่นั่งอยู่ข้างหลังพอนั่งแล้วเนี่ยตอนที่นั่งอะคะ่ะมันจะเห็นเหมือนมีแสงอย่างที่หลวงพ่อเทศนะคะมันก็จะมีแสงแวบมาแวบมาก็เห็นว่ามันมีแสงแต่ใจมันก็ไปปรุงว่ากักมันทําอะไรเนี่ยทาไมมันมีแสงนู่นแสงนี่ก็จะอย่างนั้นแต่ทีนี้อะตัวเมันเองจะมีปัญหาว่าเวลาที่จิตมันเข้าถึงสมาธิเนี่ย ตอนที่เคยไปภาวนาในสายของมหาธาตุหรือทางพองยุบนะคะมัจะมีตัวหนึ่งที่มักจะเป็นอะไรที่เวลามิติแล้วมันจะโยกคลอนมากแล้วตอนนู้นที่ภาวนาเนี่ยอาจารย์ที่สอนนะคะจะบอกให้ปล่อยพอปล่อยปุ๊บเนี่ยมันจะหมุนมันจะโค้งมากเลยบางครั้งถึงแบบคอหมุนได้จนเคยไปเข้านี่เขาจะตกใจมากมเขาก็ชี้ให้ดูกันใหญ่เลยแต่ว่าทางนั้นสอนว่าให้ให้ปล่อย ะะแต่ตอนนั้นเม้าก็เข้าใจแล้วว่าอันนั้นน่ยมันไม่มีตัวผู้รู้แล้วมันก็จมเข้าไปแล้วครั้งหนึ่งเม้าก็เคยจมเข้าไปจมครั้งที่แล้วที่ไปภาวนากับทางคุณประสาลและหมอนั้นเนี่ยเม้าออกจากสมาธิไม่ได้หมอนัฐก็ยังแนะนําว่าให้เม้าเนี่ยนั่งสมาธิแบบลืมตาแต่จิตอะ่ะมันรู้สึกว่าทําแบบนี้แล้วอะ่ะมันรู้สึกว่ามันน่าจะพัฒนาไปได้เพียงแต่ว่ามันติดอยู่เวลาที่มันจะไปเข้าช่องนี้ค่ะเม้าก็เลยอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าเม้าจะ พัฒนายังไงที่จะทำให้ผ่านตรงนี้ไปได้อะคะ่ะกระดูกกระดิกไว้กระดูกกระดิกเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าเราจะมีสภาวะอย่างนั้นให้เรากลับมาที่ฐานกายหรือเปล่าใช่นะอย่าถลาเข้าไปทางใจนะเสียเวลาเมื่อไหร่ที่เราถลาอย่างนั้นแสดงว่าเราขาดสติแล้วค่ะหลวงพ่อขาดสมาธิขาดสมาธิะะบางทีสติจอนะไปดูปลายทางนั่นเลยไจิตถลาไป แม้กระทั่งเราก็เห็นว่าเรากําลังจะไหลเข้าไปอย่างนี้ยถ้าเห็นจะลังจะไหลใช้ได้นะในขณะนั้นไม่ไหลหรอกถ้าอย่างนั้นเราเห็นว่าจะไหลแล้วเรากลับมาดูที่ฐานกายไปว่าเราแทรกแซงหรือเปล่าแทรกแซงก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะแต่ถ้าจะถลําไปเรื่อยทั้งๆที่รู้ก็จะไหลไปเพราะว่าความเคยชินของจิตนะกลับมาที่กายเลยอ๋อก็แสดงว่าแต่ถ้ารู้แล้วมันถอนเองก็ไม่เป็นไรแสดงว่าปล่อยไม่ได้เลยใช่ไหมคะเย็บไหลคาสติ ก็คือให้แม่ทำอย่างนี้ไปได้ะคะ่ะแล้วอย่างอื่นหลวงพ่อให้แนะนำแกมันฟุงฟ้งอะฟุ้งคือบางทีมันต้องฟุ้งเพราะตอนนี้มันต้องเขียนงานด้วยะคะ่ะแ mm. ม่ก็ใช้วิธีเดินเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิควบคู่ไปก็รีบไปเขียน<ป>ให้เสร็จเสร็จซะ92สสองไหนคุณยายคุณยายเป็นชาวบ้านโค้งดารามาฟังตั้งสองสมปีแล้วคะ่ะก็เลยเห็นคนได้น้อยเลยขอโอกาสอาวม า, มา ไม่ยอมพูดพดหรอยายเห็นกิเลสไหมเวลากิเลสเกิดรู้ไหมรู้อ่ะโอ้เห็นไหมกิเลสมันอยู่ชั่วคราวนะรเดี๋ยวมันก็ไ ป, ปเดี๋ยวมันก็มา<ะ>ยายดูออกไหมเวลาเราหลงไปคิดนะกิเลสก็มาน ะ, ะกิเลสตามหลังความคิดมาอีกที<ะ>งั้นยายคอยรู้สึกตัว บ, บ่อยๆน ะ, ะจิตมันนีไปคิดก็รู้ทันถ้าจิตนี้ไปคิดเราไม่รู้ทันนะเดี๋ยกิเลสก็มา แต่าอกิเลสมาเรารู้ทันนะกิเลสก็ไปนะเราคอยรู้ทันกิเลสไว้แหลจิตแอบไปคิดคิดไหมคิดเออนะรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดน ะ, ะยายคอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดบ่อยๆนะแล้วพอ ร, ร, รู้ทันแล้วก็ดับมาละมันดับของมันเองะนะอย่างยายยายไปคิดนะพอ ร, รู้ว่าไปคิดปุ๊บมันก็รู้สึกตัว่อที่หลงไปคิดตะยิ้วหายไปละคนะดูอย่างนี้บ่อยๆนะะอืเก่ง ทำอีกยายก็ว่ามันไม่รู้อะไรไม่ต้องรู้อะไรมากยายรู้กิเลสอย่างเดียวพอแล้วนะแล้วรู้ว่าทันรู้ทันว่าใจไหลไปคิดนะแค่นี้พอแล้วหนะกสิบห้ากราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะช่วงนี้ภาวนานี้จะเห็นว่าเห็นความคิดเยอะค่ะพระอาจารย์เห็นกิเลสเยอะนะคะ ประคองจิตเอาไว้บ้างไหมประคองค่ะเอออย่าไปประคองสิปล่อยมันมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะค่ะจิตจิตแอบไปคิดอีกหรือยังค่ะเออรู้ทันมันนะค่ะแล้วอยากจะทราบค่ะพระอาจารย์ว่าคือคิดเนี่ยเห็นพอคิดรู้แล้วมันก็ดับนะคะใช่ใช่แต่ว่าอยากจะทราบว่าเราต้องรู้ถึงขั้นที่ว่าอันนี้คือมันเป็นวิญญาณนะไม่ต้องะ ชื่อไม่สําคัญหรอก <ฮะ S 1> แค่เห็นว่าซ้ำจริงซ้ำจริงสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นแค่นี้พอแล้ว <ฮะ S 1> ไม่จําเป็นต้องรู้ว่าคืออะไรหรอกค่ะแล้ ว, แ ล, วแล้วมีอยู่คืนหนึ่งนอนอยู่อะค่ะแล้วกั บ, บภาวนาอยู่นะคะอาจารย์แล้วอยู่ดีก็เห็นรู้สึกว่ามันมีความว่างเกิดขึ้นแล้ว <ฮะ S 2> ก็มีความคิดไหล <ฮะ S 2> ผ่านความว่างแล้ว <ฮะ S 2> ก็บอก มีความคิดต่อขึ้นมาว่าเออมันเป็นอย่างนี้เนาะมันมีความว่างจริงมันไม่มีอะไรแล้วมันก็มออีความคิดไหลออกมาเองมันไหลออกมาจากความว่างน ะ, ะแล้วมันก็สลายตัวไปในความว่างนะั่นแหละแต่ว่าใจเราไม่ถลําตามมันเข้าไปคแค่ดูแค่ดูอย่าให้ใจไหลาตามมันไปน ะ, ค, ะคือตอนนี้ก็คือดูความคิดแล้วไม่ถลําใช่ใชะนะระวังเรื่องถลนะําน่ะ ถ้าถลำแล้วใจก็จะไปเฉย่อยเนย่นยแช่แช่นิ่งนิ่งซึมๆึมๆอยู่เป็นไหมเป็นค่ะอตรงนั้นแหละไม่เอาเอา้าวหสบคุณค่พระพิมมาสการ์ค่ะหลวงพ่อเมื่อกี้ตอนฟังคนอื่นส่งกันบ้านรู้สึกตอนนี้นวางฟอร์มไหมหนูวางค่ะเออรู้ทันเนาะก็พยายามดูกิเลสทุกวันะนะคะแล้วก<อ>็<อ> บางทีที่หลงนานแล้วพอรู้ตัวจะรู้สึกว่าน่าเกลียดมากนะ่ะอะไรนะถ้าหลงไป น, น, นานๆแล้วมารู้ตัวจะรู้สึกว่าที่หลงไปมันน่าเกลียดมากเอออย่างนี้แหล ะ, ะเรียกมีฮีโอ่ตับปะแล้วดีแต่ทําไปหมดแล้ว<ะ>สิ่งที่ไม่ดีคือทําไปหมดแล้วไม่รู้ทีหลังไม่เป็นไรทําไปแล้วรู้นะดีกว่าทําแล้วไม่รู้ว่าผิดอีกค่ะอยากนะให้หลวงพ่อช่วยทุบหน่อยอะคะ่ะไม่ไม่มีอะไรต้องทุบมากหรอกนะขยันดูก็แล้วกัน ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะรู้สึกไหมจิตใจมีเริ่มมีแรงมากขึ้นไหมมีค่ะแต่ว่าบางครั้งพอรู้แล้วจะรู้สึกแน่นๆนะคะแน่นๆรู้แรงไปรู้อะไรนะคะรู้รุนแรงไปค่ะจงใจแรงไปเหมือนรู้พลอยรู้ปุ๊บพยายามจะไปรู้ต่อมันก็เลยจะแน่นที่จริงมันเป็นสสเต็ปนะอย่างอันแรกหลงไปอันที่สองรู้ว่าหลงอันที่สามดึงมันก็แน่นค่ะคือบางทีมันไม่ไม่รู้ก็คือไม่รู้เลยไม่ยอมรู้แล้วพอแล้วชอบมัน่น เวลาแน่นๆชอบไหมไม่ชอบค่ะเออไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะเนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปแค่เราเล่าใช่ไหมเราเล่าเรานึกถึงสภาวะที่เกิดแล้วเรายังไม่ชอบเลยใช่ชอบที่หลวงพ่อเคยบอกว่าโทสะแรงก็นีสทราบแล้วว่าแรงกับตัวเองนี่แหะคะ่ะไม่ได้ไปแรงกับคนอื่นนั่นแหระเมื่อก่อนโทสะแรงหรือวัวเดี๋วนี้หลวงพ่อจะดูแทบไม่ออกนะอแล้อเขาสติปัญญามันวัยขึ้นนะมันจะไม่แรงนะมีคําถามอีกนึงอะคะ่ะคือว่า เหมือนกับว่าจิตมันชอบลมหายใจคื อ, อพอรู้ตัวปุ๊บมันจะมารู้ลมหายใจไม่เป็นไรคือไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างม่มแก ah. มก็ร<ก>ู้ว่าจิตไปอยู่กับ <c oughs> ลมนะจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปอยู่กับลมหายใจก็รู้จิตไปยังไงก็รู้ <c oughs> รู้ด้วยความเป็นกลางได้ไปค่ะค <c oughs> ุณค่ะอ้าวโยมเสื้อสีม่วงเอามั่งไหมไม่เอาเหรอ มากะแก้วเหรออยู่ท่าม่วงปะอยู่ท่าเรือสมัยก่อนทำไมไม่ไปหาเราหัดหัดฝึกไว้นะฟังซีดีใจมันจะโปรง่งสบายมีความสุขนะเอาเบอร์ห้าสิบหกห้าสิบหกน่นั่งเก้าอี้กามนมัสการหลวงพ่อครับผมยังไม่เคยปฏิบัติเลยครับอยากจะรู้ว่า ต้องทำยังไงครับไม่ต้องทำอะไรมากหรอกใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้จักโมโหไหมเคยโกรธไหมเคยครับเคยกลัวไหมเคยครับ เ, ออเคยอยากได้อะไรต่ออะไรไหมเคยครับเออนี่ยไม่ยากนะความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจรู้บ่อยๆฝึกแค่นี้แหละเบื้องต้นเอาเท่านี้ก่อนการที่หัดรู้ความรู้สึกของตัวเองเรื่อยๆนะต่อไปจิตจะจสภาวะของความรู้สึกแม่น แล้วสติจะเกิดขึ้นพอสติเกิดแล้วเนี่ยเราก็จะคอยเอาสติไปทำงานคอยรู้กายคอยรู้ใจใช้ความสังเกตมากขึ้นเห็นว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งค่อยๆหัดไปตอนแรกนี่ฝึกรู้สภาวะความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันบ่อยๆนะเอาตัวนี้ก่อนนะหมอพีมีอะไรไหม เด็กนั้นลูกเหรอมีกี่คนอะโอ้คล้ายๆกับแม่เนาะเขาเาเริ่มฝึกได้บ้างค่ะน้องเพาะหมอพี่ก็ดูเป็นก็ดูเอาิเราก็ดูเป็นเนี่ยทำไมจะดูไม่ได้ล่ะก็พอเขาก็บอกบอกบอกว่าเหมือนแบบรู้ตัวว่าร่างกายขยับอะไรกันได้ส่วนของหนูเนี่ยแบบ เหมือนที่ผ่านมาบางช่วงมันติดสุขค่ะหลวงพ่อแล้วแบบสุขจนมันทุกอ่ะพอพอมันทุกแล้วมันก็แบบเริ่มรู้สึกไม่ไหวก็เลยเริ่มแบบมีสัจจะกับตัวเองมากขึ้นนะคะพอรู้สึกว่าบารมีตัวเองหย่อนเรื่องของวิริยะอะไรคะการขยันการเพียรอะไรเงี้ยก็เลยสวดมนต์ทุกวันมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าว่างแล้วมันเหมือนติดสุขอีกก็เลยหางานทําหนักๆขึ้นนะคะพอได้ใช้แรงงานแล้วมันรู้สึกแบบเหมือนตัวเองแอคทีฟขึ้นนะคะทำได้ดีขึ้นรู้ตัวได้ชัดขึ้นนะ แล้วมันเหมือนพ อ, อพอทํางานยุ่งๆแล้วมันจะภาวนาได้ตลอดแหละค่ะหลวงพอ่อพอถ้าช่วงไหนว่างๆแล้วมันจะเหมือนเผลอเพลินแล้วก็สุดนิสัยแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกบางคนต้องยุ่งกับคนอื่นนะถึงจะภาวนาดีอย่างพวกท่านนิสัยอย่างเงี้ยหลวงพ่อจะใช้ให้ช่วยสอนก็ไปสอนสอนเลยนะจิตใจมันทำงานขึ้นมานะสติปัญญามันเปลี่ยวขึ้นมาถ้าอยู่เฉยๆแล้วซึมไปเลยใช่พ อ, พอทาอย่างเงี้ยมาสักพักหนึง เริ่มตื่นเช้าหกโมงอะไรเงี้ยค่ะแบบเหมือนแบนบันเร็วขึ้นไปทํางานไปทําอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยดีขึ้นเยอะเลยค่ะเ อ, อดีรู้สึกว่ากลับมาเป็นปกติขึ้นนะยคะ่<ฮ>ะดีแล้ ว, จลวเจอตุลไหมช่วงนี้ยังไม่ได้เจอพี่ตุล เ, เขียนงานเยอะะค่ะก็เลยโทรได้อย่างเดียวค่ะแกนัดกับหลวงพ่อไว้ว่าว่างพร้อมกันเมืนะ่อไหร่นะเดี๋ยวนี้มลเราไปฉันข้าวไม่เคยว่างพร้อมกัน งานเยอะใช่ค่ะช่วงนี้เห็นจะเขียนเล่มสุดท้ายอยู่ค่ะก็เลยไม่ได้คุยกันเท่าไหร่เห็นหลานเขาบอกเขียนเรื่องอะไรจั ก, กระพัดอะไรจิตจักระพัดค่ะนะหมอนะเขียนเรื่องเนี้ยถ้าจะเขียนได้ดีเรื่องเนี้ยเขาหนูไม่ติดอะไรใช่ไหมคะหลวพก็คือทําต่อไปใช่ไหมตอนนี้ประคองไว้ไหมล่ะมันรู้สึกแบบรู้สึกไหมมันไม่ธรรมชาติใช่ค่ะมันมัน นให้รู้ทันตัวนี้แหละตัวนี้แหละส่วนเกินที่แปกปลอมขึ้นมาเอาตอบต้องทำอะไรเพิ่มเติมไหมคะหลวงพ่อไม่ทำสิที่ผิดอยู่ตรงนี้เพราะทำนะะไม่ทำแต่ว่ารู้สุกสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อรู้แล้วนะจิตเกิดปฏิกิริยายินดียินร้ายอะไรขึ้นมาก็รู้ทันนะอย่าไปเพ่งอย่าไปประครับประคองมันจะนิ่งเกินจริงนะขอบุญค่ะ หมดหรื อ, อยังอ๋อนี่นี่ร้อยสองร้อดีถามมากๆเราจะได้ไม่ต้องพาเดินแดร้อนแล้วยี่สิบห้าจะหมดเวลาแล้วที่หลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูความอยากอะเจ้าค่ะเห็นว่ามันอยากเยอะแล้วก็มันเหนื่อยมากเลยเจ้าค่ะแต่ว่ามันก็ยังอยากอยู่ตลอดเวลาเจ้าค่ะดูไป ชิดดีขึ้นไหมล่ะดูออกไหมรู้สึกว่าตอนนี้พอเวลาตื่นเต้นมันก็ปล่อยให้ตื่นเต้นได้มากขึ้ น, น, นไม่กดไปรู้ทันไหมไปรู้ความอยากไหมแล้วแหละแล้วไม่ได้แก้ตัวอื่นได้หมดเลยสังเกตแมมใจไม่เหมือนเดิมนี่แหละไปฝึกไปนะอา้าวเบอร์ร2อยยี่ห้าอ่ะรสิบเอเหร อ, อนำมันส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะ ก็ม <co z files> <t> ีโอกาสมาเรียนครั้งแรกเมื่อ4ปีก่อนนะคะก็รู้สึกว่ามีความสุขในชีวิตเยอะขึ้นมากค่ะเจ้าค่ะที่จะเรียนถามหลวงพ่อก็คือจะมีความรู้สึกกลัวผิดนะคะแล้วก็ปัญญาล้ำเยอะก่อนหน้านี้หลวงพ่อเคยบอกไว้เมื่อหลายปีก่อนว่าเวลาลูกดูเนี่ยจะดูเหมือนหักคอกิเลสจิ้มน้ําพริกค่ะเจ้าค่ะมันมันก็เบาบางลงแต่ว่าก็เห็นว่ามีความกลัวผิดแล้วก็ปัญญาล้ำเยอะเจ้าค่ะดีนะ การภาวนาไม่มีอะไรมากหรอกมันคือการเรียนรู้ตัวเองนะเรามีจุดอ่อนอะไรมีจุดแข็งอะไรเราก็รู้เอานะเราก็รู้ด้วยความเป็นกลางเรื่อยไปเท่านั้นแหละนะหัดรู้สภาวะไปแล้วเสื้อสีชมพูนะั่นะนะ่ะมาด้วยกันบ่าครับอ่ากลับหลวงพ่อครับอ่าเป็นภรรยาผมครับรีบโฆษณาเฉยอ่าว่าไป <laughs> ตอนนี้ผ ม, ผมดูไปตอนนี้ก็ จิตกอารมณก็หางกันมากขึ้นนะครับออรู้<ต>ก็คือตอนนี้มีประคองไว้ไหมมีบ้างเล็กน้อยครับก็นะตื่นเต้นบางให้ดูฐานนะดูฐาน ค, คือถ้าเราตราบใดที่เราประคองอยู่เนี่ยกายก็ไม่เป็นธรรมชาติจิตไม่เป็นธรรมชาติมันจะไม่สอนใจรักแล้วจะนิ่งๆไปแต่ประคองเพอาตื่นเต้นช่วครั้งช่วคราวไม่เป็นไรนะอยู่บ้านอย่าประคองครับแล้วจิตถึงฐานไหมจิตตอนนี้ไม่ถึงฐานครับออถ้าดูออกก็ใช้ได้แล้ว มีอีกไหมมีอีกไหมเมื okay. no, no, no. ่อกี้โน่นโน่กราบหลวงพ่อครับเมื่อวานมาทีหนึ่งแล้วนะครับมาจากหาดใหอ่กออ็ยังมีประคองแล้วก็ถลำไปดูอยู่บ่อยๆแล้วเมื่อวานเนี่ยลืมขอกันบ้านกลับไปํา อ, อกลับให้หลวงพ่อช่วยดูว่าไม่มีอะไรก็รู้ลงปัจจุบันเรยไปนะแล้วก็ระวังอันหนึ่งดูไปดูไปใจจะสบายนะแล้วก็โลง่ลงว่างว่างๆออกไปตัวนี้ไม่เอานะถ้า ไปอยู่หาดใหญ่ภาวนาแล้วใจมันโล่งว่างทุกวันเหมือนกันหมดเลยนะย้อนมาดูกายไว้เลยมันจะไปติดความสุขความโล่งความว่างต้องระวังตัวนี้เพราะภาวนาต่อไปมันจะมีความสุขเยอะเดี๋ยวมันจะพอใจตอนนี้ก็มีความสุขเยอะครับนั่นแหละหลวงพ่อถึงบอกดักหน้าไว้ก่อนก็ไปวิ่งนะครับตอนเช้าก็จะตื่นประมาณสักตีสาม ปฏิบัติในรูปแบบสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ไปวิ่งสองชั่วโมงตอนวิ่งเนี่ยก็ดูเหมือนว่าคิดนำมันว่าร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเห็นความเหนื่อยมันแยกออกมาส่ว น, นในร่าง<ต>นะครับ แ, แต่พอจิตใจมันโล่งเบามีความสุขนะแล้วมันเพลินนะอย่าให้เพลินแล้วก็รู้ทันว่าพอใจในความสุขพอใจในความโล่งว่างสบายลงปร่งถ้าพอใจแล้วรู้ทันเนี่ยไม่ติด ถ้าพอใจแล้วไม่รู้ทันว่าพอใจอยู่ติดติดแล้วจะไม่ไปต่อล้วมันจะเอาความสุขเป็นเป้าหมายนะเราภาวนาเราไม่ได้เอาความสุขเป็นเป้าหมายเราเอาความจริงเป็นเป้าหมายต้องการเห็นความจริงของชีวิตชีวิตนี้ไม่ได้สุขหรอกชีวิตนี้เต็มไปด้วยความทุกรูปก็ทุกนามก็ทุกเี่เราต้องการให้เห็นตรงนี้ความสุขเป็นของแถมยิ่งรู้ทุกยิ่งมีความสุขนี่เป็นเรื่องแปลก แต่ว่าถ้าเราพอใจในความสุขตัวนี้แล้วมันจะติดนะสรุปว่ากลับไปลุยต่อเหมือนเดิมนะครับลุยต่อต เ, เ, เหมือนเดิมนะแต่ถ้ามีความสุขขึ้นมาแล้วพอใจให้รู้ทันเอาตัวนี้นะครับกลับครับคุณยังสูงครับ อ, อ๋อนู่นหนหลังห้องนรมาชการครับหลวงพ่ อ, อ, อขอการบ้านนะครับครั้งก่อนที่หลวงพ่อให้การบ้านไปว่าจิตไม่ตั้งมั่นนะครับก็ให้ไปดูอารมณ์ที่ไหลไปทางหูทางตาตอนหลังก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะครับ ก็ดีแล้วล่ะบังคับน้อยลงไหมบังคับน้อยลงนะไหลไหลมากขึ้นแล้วสังเกตว่านะไหลเรารู้ไหลเรารู้ฝึกเท่านั้นแหละแล้วก็เคยเห็นเห็นอารมณ์โกรธเห็นแป๊บหนึ่งกลายเป็นสุขแต่สุขก็แป๊บหนึ่งเหมือนกันนั่นมีแต่ของโช่วคราวแล้วแล้วจริงๆสุดท้ายของปฏิบัตินี่มันเป็นความสุขอย่างอย่างแป๊บน้ำตรงนั้นหรือเปล่ามันคงเป็นความสุขสุดท้ายผลของการปฏิบัติจริงๆเนี่ย มันจะเป็นความสุขแบบนี้หรือเปล่าหรือมันไม่ใช่ไม่ใช่คนละโลกเลยคนละแบบกันคนละเรื่องเลยไม่เกี่ยวกันเลยจริงๆก็อยากให้มันอยู่ต่อแต่มันก็อยู่ต่อไม่ได้มันนิดเดียวจริงๆเออนาพอนาถึงสุดท้ายที่ว่านะมันเห็นนิพพานนะนี่ความสุขอยู่นั่นแหละไม่ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงครับก็พคุณครับแต่จิตที่ไปรู้นิพพานเปลี่ยนแปลงนะนิพพานนไม่เปลี่ยนแปลงนะ จิตที่ไปรู้นิพพานแล้วมันจะมีความรู้สึกสองอันอันหนึ่งมีความสุขมีโสมนัสอันนึงมีอุเบกขาเร า, เราจะต้องระวังเรื่องอะไรต่อครับหรือว่าเดินแบบนี้ต่อไปทําได้แล้วทํำไปเมื่อก่อนของคุณมีปัญหาติดเพทงครับผ ม, ผมยังสงสัยแต่กม็มีคนอ่านในเว็บไซต์ครับว่าว่าหลวงพ่อไม่รู้แต่ผมผมตั้งแตนะ่หลวงพ่ออะไรนะคล้ายๆหลวงพ่อเดาเอาแต่ ตั้งแต่ผมกราบหลวงพ่อมาผมว่าหลวงพ่อไม่เดาเพราะว่าเจอหน้าหน้าครั้งแรกหลวงพ่อก็บอกว่าผมเพ่งแล้วผมก็รู้เออผมเพ่งช่างเขาเมื่อไหร่ละเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเวรกรรมแท้ๆเลยนะแทนที่จะได้ประโยชน์นะครับคือคือสติมานะอะไรขึ้นมาเสียอย่างอย่างผมนี่ผมผมได้ประโยชน์จากหลวงพ่อแล้วก็จบแค่นั้นไม่ได้อะพอแล้ว ก็หลวงพ่อเขาต้องการแค่นั้นแหละเทศอยู่ทุกวันทุกวันนะรับใช้พระพุทธเจ้านะในใจลึกๆเย่างีง้แล้วก็สงสารสงสารพวกเราเพราะอะไรมันหัวอกเดียวกันนะกระเสือกกระสนดินน้นรนหาทางพ้นทุกมาลมลุกคลุ ก, ลกคลานมาหนักหนาสาหานะัสเห็นแล้วสงสารนะครับใจคิดอยู่แค่นี้แหละส่วนใครจะรับธรรมะของเราหรือไม่รับเรื่องของเขา ศา ส, สนาพุทธแท้ๆเป็นศาสนาของคนส่วนน้อยอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรไม่สามารถขนสัตว์โลกไปได้หมดหรอกตั้งตั้งแต่เริ่มต้นจริงผมรู้ว่าผิดแต่ไม่รู้ว่ามันผิดยังไงก็ ก, ก็ได้หลวงพ่อเลนลครับขอบคุณครับออาเมื่อกี้ตัวนี้มีอีกใช่ไหมไ ม, ไม่มีแล้วเหรอ <laughs> <laughs> <laughs> อาไปใครจะไปเที่ยว ใครไม่อยากไปอยู่นี่แหละนะไปนิ ม, มนสององค์ไปเดินเล่นความจริงมันร้อนแล้วเมื่อเช้าอากาศมันสบายอย่าเดินเข้าไปในที่รกๆนะมันมีงูเหา่านะอย่างอื่นไม่มีอันตรายอะไรหรอก